สุริโยไทยไขยแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจื้อแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยันมันหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใ ย, ยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกลาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาพระธรรมพระสัมมาเป็นอาจิน ชำระล้างซึ่งบนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักอย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิงวอนให้ท่านจงไต่ตอง ยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นแปดใจในภายหน้าเป็นปัญญาบา ร, รมีชี้แจใสเมื่อไม่หลงเพลิดเพินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซตตื่นขึ้นรับสดับธรรมวันนี้อาตมาก็ตั้งใจจะพูดเรื่องอุบายสอนธรรมของครูบาอาจารย์ต่างๆก่อยถึงเวลาสมควรช่วงเช้าระยะ น, นี้ญาติโยมอาจจะน้อย เพราะว่ากลุ่มกลับเป็นหมดครูบาจารย์ในวัดในตอนนี้ก็เหลือน้อยเพราะเดินทางไปข้างนอกกันสมัยก่อนที่วัดหนองอภงเนี่ยหลวงปู่ชาถ้าจะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระฝรั่งมากมายท่านก็จะมีอุบายสอนธรำด้วยวิธีการต่างๆแล้วแต่จริตก็จะมีหลวงพ่อสมัยโทเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกสิษย์ไปองค์แรกหรือรุ่นแรกเนี่ยหลวงพ่อสเมเยโทสมัยนุ่มๆ ท่านเข้ามาเมืองไทยประมาณปี2509รู้สึกท่านจะบวดประมาณปี2510อะไรเนี่ยแล้วก็มาอยู่วัดหนองว่าพงโดยกระชักชวนของพระที่นั่นคือพระสมหมายพระสมหมายเนี่ยพาหลวงพ่อโท ม, มโทรเนี่ยไปกราบหลวงปู่ชาแล้วก็มาขออยู่ด้วยฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาท่านก็พูดภาษาฝรั่งก็ไม่ได้ก็ท่านก็ต้องใช้ภาษาภาษาใบาสอนนั่นแหละใช้อุบายต่าง หลวงพ่อเสบเ์โทจึงมีเรื่องเล่ามากสมัยอยู่หนองกโพให ม, ใหม่ท่านก็ลำบากอ่ะท่านต้องฉันอาหารพื้นบ้านต้องปรับตัวบางครั้งก็เจออากาศที่หนาวมากแล้วบางเรื่องเนี่ยเวลาทําอะไรที่เป็นที่ขบขันเนี่ยหลวงพ่อชาท่านก็จะนําเรื่องของท่านเนี่ยมาเล่าในที่ประชุมหรือที่ทําวัดเช้าเย็นนี่แหละบางทีญาติโยมอยู่เต็มศาลาดิเล่า ว, ว่าท่านเนี่ย ฉันอาหารแบบบูมามัง่งทำข้าวเลอะเทอะมัง่งคือที่ลุงเขาฉันมือท่านฉันไม่ค่อยเป็นทําให้พระเนรแมชีหรือญาติโยมที่อยู่ในวัดหัวเราะท่านท่านฟังบางทีท่านก็โกรธเหมือนกันคือท่านก็มีทิฏฐิมานะเยอะแต่หลวงปู่ช้าก็มีวิธีทรมานท่านมีวิธีทําให้ท่านลดอัดตรามีอยู่ครั้งหนึ่งนิมนต์ให้หลวงพ่อสเบียโทเทส รู้สึกจะเป็นวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยญาติโยมก็อยู่เต็มศาลาหลวงพ่อสมัยโทรตอนนั้นก็ยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขาเพิ่งมาอยู่เมืองไทยไม่นานพอพูดได้คำํำง่ายๆกเทศไปประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยท่านก็สรุปจะจบหลวงปู่ชาก็บอกให้เทศต่อยังจบไม่ได้ท่านก็เลยต้องเทศต่อเพราะว่าชั่วโมงที่สองเนี่ยท่านก็เริ่มพูดไม่ค่อยได้แล้วต้องพูดวนไปเวียนมาเรื่องเดิมหาที่ลงก็พอจะได้ แต่ก็ประคองตัวจนจบอ่ะจบแล้วจะเลิกหลวงปู่ชาก็บอกยังเลิกไม่ได้เทศต่อไปอีกตอนนี้ผู้คนในสานลาก็เริ่มทยอยกลับบางคนก็นั่งหลับก็มีสุดแล้ววันนั้นอ่ะหลวงพ่อสุเบธโทเทศถึง4ชั่วโมงคนฟังกลับกเกือบหมดอ่ะแต่วัตถุประสงค์ของหลวงปู่ชาเนี่ไม่ได้ให้หลวงหลวงพ่อสุเบธโรสอนโยมนะจุดประสงค์นะต้องการให้หลวงพ่อสุเบธโทเนีฝึกตัวเองครูบาจะให้เทศเนี่ยต้องการให้ลูกศิษย์ได้ ได้ฝึกฝนตัวเองมากกว่าหลวงพ่อสบายโทไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายเท่านี้มาก่อนเลยพอหลังจากผ่านวันนั้นไปเนี่ยถ้าไปเที่ที่ไหนก็สบายพอท่านผ่านวิกฤตมาแล้วคือผ่านวิกฤตที่ว่าคนฟังหลับคนฟังกลับหรือคนไม่สนใจฟังคำเทศของท่านท่านก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้เพราะท่านไม่ได้เตรียมเรื่องเทศเลยพอตอนหลังเนี่ยท่านก็ระวังเตรียมพร้อมเพราะเผื่อหลวงปู่ชานิมนเทศกับท่านหัน ท่านก็ไปอ่านหนังสือธรรมะเตรียมข้อมูลมาตอนหลังหลวงปู่ชาณิมนเทศท่านก็พูดดีขึ้นน่ะแต่ก็โดนหลวงปู่ชาตมณนนีว่าเทศไม่ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เล่าจากใจนะแล้วก็มีอีกหลายคนอาจารย์พรมวางโศก็เหมือนกันพระฝรั่งจะกลัวหลวงปู่ชานิมนเทศพอาะยังพูดไทยไม่ค่อยคล่องต้องลุ้นกันน่ะนักเทศส่วนมากใหม่ๆจะประมา ประมาะประมาะคนแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองพอผ่านเหตุการณ์นี้ได้ต่อหลังหลวงพ่อสมัยโทท่านก็เป็นนักเทศชื่อดังอาจารย์ภูมิบงโศท่านก็เป็นนักเทศมีชื่อเสียงทุกคนอาจารย์มิสุโอแล้วก็พาฝรั่งอยงหลายท่านก็โด่งดังเพราะผ่านการฝึกจากหลวงปู่ชาหลวงพ่อสมัยโทท่านมาอยู่หนอวกผมจากการชักนําของพระส ม, มายท่านก็นักนับถือพระสมมายมากแต่ตอนหลังเนี่ย พระสมยัยท่านก็เป็นคนจุกจิกจูกจ้จี้คือท่านเป็นคนเข่งในระเบียบวินยัยหลวงพ่อสเบทโต ท, ท่านก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใหม่ๆก็เคารพนับถือแล้วตอนหลังท่านกระลาสิขาไปละสิขาไปได้ประมาณสองสามปีทีนี้เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยตอนแรกเป็นคนเค่งคัดพระธรรมวินัยเนี่ยตอนหลังยยงสมมายหรือที่สมหมายเนี่ยกลายเป็นขี้เม า, มาเมาหัวราน้ําเลยแหละจนสติฟั่นเฟือน แล้วก็ต้องเก็บขยะขายชีวิตเปลี่ยนกลายเป็นคนยนต์จัดไปหลวงพ่อสเุเบโตก็รังเกียจที่สมหมายไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าเคยพาท่านมาอยู่หนองบัวพงเรื่องนี้ทราบถึงหูหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาก็เรียกหลวงพ่อสเุเบโธมาบอกว่าเธอจะต้องนับถือสมหมายเป็นอาจารย์นะเพราะถ้าไม่มีสมหมายก็ไม่มีสเมุเบโธ เพราะเป็นคนพามหาหลวงพ่อถึงจะสึกไปแล้วก็ให้เรียกว่าอาจารย์ยหรือความเคารพหลวงพ่อสะเบทโทท่านก็เชื่อท่านก็เปลี่ยนความคิดจากตอนแรกบียดติต่อที่สมหมายก็กลายเป็นเคารพนับถือถือเป็นบุญคุณแหละทําให้ท่านได้เกิดทําให้ท่านได้รู้จักตัวเองหลวงปู่ชาถึงท่านจะเป็นพระที่เข่งคัดในพระธรรมวินยัยแต่ท่านก็มีเมตตาแยกแยะ เพราะว่าบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวข้องกันอย่างที่สมหมายเนี่ยถึงจะเป็นลูกศิษย์หลงวงปพงเป็นขี้เมาทําให้วัดเสียชื่อแต่หลวงพ่อก็มีเมตตาก็ให้พระในวัดเนี่ยปลูกกระต๊อบให้อยู่หลังวัดให้อาหารเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้แต่ตอนหลังที่สมหมายก็เกิดอุบัติเหตุโดนรถชนตายหลวงพ่อสเบโทก็ทาบุญกวดน้ําอุทิศกุศลไปให้ตลอด ท่าก็ไม่ลืมบูรคูนอาจารย์ของท่านเจอหน้าก็เรียกอาจารย์ตลอดท่านฝากตะตันยูจึงเป็นเครื่องหมักเครื่องหมายของคนดีอาจารย์พรมบางโศเนี่ยเคยเล่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยที่วัดหลวงปู่ชาเนี่ยให้พระขนดินดินกองใหญ่มากเลยให้ย้ายไปไว้ที่หนึ่งพระในวัดก็มาช่วยนขนคือขนกันทั้งวันน่ะพระที่นั่งฉันกันมือเดียวรางวัลก็คือเป๊ปซี่หรือน้าบัตโรมต่างๆเนี่ย ที่นุ่นฉันน้ำบรลมก็มีความสุขแล้วเพราะวัดป่าหาของฉันยากวันแรกขนเสร็จก็ไม่เป็นไรนะก็ยังถือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วหลวงปู่ชาก็มีธุระต้องไปค้างคือที่วัดถ้ำแสงเพชรหลายวันเจ้า ว, วาดมาเห็นกองดินกองนั้นที่ถูกย้ายมาก็รู้สึกว่าไม่ถูกที่จึงเรียกพวกพระมาให้ย้ายขนกลับไปที่เดิมอีกตอนนี้พวกพระก็เริ่มไม่ค่อยพอใจกัน อาจารย์พรมังโสเริ่มไม่ค่อยชอบบุหงิจและแต่ก็ขัดคำสั่งครูบาอาจารย์ไม่ได้ก็เลยขนย้ายกันใหม่ขนย้ายจนเสร็จลุงบูชากลับมาเห็นกองดินกลับมาที่เดิมอีกเรียกพระในวัดเนี่ยให้ช่วยขนไปไว้ที่บอกไว้ตอนแรกอีกอาจารย์พรมังโสตอนนี้โกรธมากเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นฝ่าผิดของครูบาอาจารย์ไม่เกี่ยวกับท่านทําไปได้ตกลงให้เรียบร้อยก่อนที น, นี้ลูกศิษย์ก็แย่ ขนไปขนมาเสียแรงเปล่าทำไปบ่นไบปตอนนี้แต่เขาต้องจำใจทำแต่อาจารย์พมก็สังเกตรพระไทยไม่เห็นบ่นเลยพระไทยขนไปยังมีความสุขจึงเข้าไปถามจึงรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องขนดินหรือทำงานหรอกมันเกี่ยวกับความคิดเพราะว่าพระไทยไม่ได้คิดมากเหมือนพระฝรั่งไงไม่หาเหตุผลอาจารย์สั่งให้ทำอะไรก็ทำสั่งให้ย้ายก็ ย, าย้ายพระไทยจึงขนยังมีความสุข อันนี้ขนต้องสามรอบขนไปขนมาขนไปหรือบางช่วงเนี่ยอากาศหนาวลูกบูชาก็ให้พระเดี๋ยวเปิดหน้าต่างศาลาเลยให้ลมหนาวโกเข้ามาบางช่วงอากาศร้อนมากท่านก็ให้ปิดศาลาท่านฝึกลูกศิษย์ของท่านเนี่ยให้ต่อสู้กับาร์มยากลำบากต่างๆช่วงวันพระก็มีในสัชชิกไม่นอนทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้มแข็งอดทน อาจารย์พรบังโสยังเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมท่านมีความสุขมากเลยช่วงนั้นคิดว่าสําเร็จแล้วคือได้สมาธิวันต่อมาเนี่ยก็มีคนนําอาหารมาถวายเพราะปกติของพระพงษ์เนี่ยก็จะมีอาหารหลักก็คือปลาล้าอาหารพื้นบ้านนั่นแหละวันนั้นอาจารย์ผมดีใจที่ว่ามีแกงหมูน่า ก, กินเข้ามาอีกมอหนึ่งท่านก็นั่งต่อเจ้า ว, วาดเจ้า ว, วาด ตักแกงหมูไปสามรัฐพียใหญ่ๆท่านก็นึกตำหนิในใจแต่ก็ยังไม่เป็นไรหรอกยังไงก็เหลือถึงท่านอยู่ดีแต่แล้วสิ่งนี้ไม่คาดฝันไม่เกิดขึ้นเจ้าวาดนําแกงหมูที่น่ากินเนะ่ะไปเทรวมกับแกงปลารแล้วก็คนเข้าด้วยกันแล้วก็พูดว่าอะไรๆมันก็เหมือนกันอาจารย์ผมรู้สึกไม่พอใจมากเลยตอนนี้บ่นในใจไอ้ขี้โกงไอ้หมูอะไรท่านก็ว่าไปเรื่อยๆ ใ, ในใจนะแต่ไม่ได้ด่าบ้างข้างนอกเอาเปรียบท่านเป็นลูกชาวบ้าน เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกตัวเองตักของดีๆไปกินก่อนแล้วก็เทของไม่ดีให้คนอื่นกินแต่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์พมก็รู้สึกตัวเอ๊พะพระอริยะมีโกธด้วยเหรอตอนแรกเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองยังไม่ไม่บรรลุธรรมก็เลยเกิดความท้อแท้เลยหมดกําลังใจเลยวันนั้นก็ต้องฉันอาหารปลาร้าผสมแกงหมูด้วยความขอเหี่ยวใจครูบาจารย์หลายท่าน ท, ที่คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเนี่ยพอเจอสอบอารมณ์ เจออารมณ์ที่ทําแรงๆอะ่ะอารมณ์ที่โกรธอารมณ์ที่กลัวก็ทําให้รู้ว่าเราไม่ใช่แต่บางคนก็หลงมากก็ไม่สามารถออกแถวอารมณ์นี้ได้คิดว่าตัวเองนิพพานแล้วมรรู้ทําแล้วก็ต้องติดตลอดชีวิตแลหละเผือติดไปชาติหน้าด้วยก็ทําให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในโลกของความไม่จริงอะ่ะเพราะว่าบางทีคิดตัวเอง ดั้นการมีครูบาอาจารย์ถ้าเก็จะใช้อุบายเนี่แหละให้ลูกศิษย์ออกจากอารมณ์นั้น น, นหลายครูบาอาจารย์ที่แก้แก้อารมลูกศิษย์จนลูกศิษย์เนี่ยปกติได้บางคนแล้วแก้ไม่ได้ก็ต้องคิดวเต็มบรรลุธรรมไปตลอดชีวิตตลอดชาตินั่นแหละก็น่าส ง, งสารมากก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ปกติใช้ชีวิตคิดวเต็มบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอริยะแล้วเข้าออกับคนอื่นก็ไม่ได้แต่บางครั้งก็เป็นคนน่ารำคาญเจอใครอยากสอนธรรมะไปที่เอื้อมละอาของมู่คคะก็ไม่รู้ตัว พอจะหายอยากลบ ไ, ได้ก็นานเนี่ยบางคนไม่หายหรอกเพราะว่าอัตตาบันฝังอยู่ไม่ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ยังไม่เห็นธรรมไม่บรรลุอันนั้นเป็นแค่ความคิดบางทีเป็นสมาธิเล็ ก, กน้อยเท่านั้นยังไม่ได้เป็นมรสมางคียังไม่ได้ละสังโยแต่อย่างใดครูบาอาจาราย์ท่านก็บิวบายสอนธทมแปลกๆอย่างบิวครั้งหนึ่งอาจารย์โพบังโสนั่งรถไปกับหลวงปู่ชามีพระผ้าหลังนั่งไปด้วยสองรูป หลวงปู่ชาล่าข้างหน้าท่านก็แงะมามองพระที่นั่งไปด้วยพระฝรั่งรูปหนึ่งท่านก็ผูดไทยคล่องอีกสองรูปก็พูดไม่ค่อยคล้องพูดคล่องก็ก็บอกว่าหลวงปูน่นะบอกว่าท่านเนี่ยคิดถึงแฟนที่อเมริกาเหรอพระฝรั่งรูปนั้นตกใจว่าหลวงปู่รู้วาจิตตัวตนไดยังไงก็ยอมรับว่าใชา่แล้วหลวงปู่ปูชาเขาบอกต่อไปอว่าถ้าคิดถึงเธอ ก็เขียนจดหมายไปหาเธอเพื่อไปขอของที่ใกล้ชิดเธอมากที่สุดมาพระฝรั่งก็ถามว่าทําได้เหรอลุงปู่ชาก็าบอกทำได้แล้วก็พูดภาษาไทยพระที่เป็นลามเนี่ยได้ฟังก็หัวเราะน้ําหูน้ําตาไหลกว่าจะพูดได้ก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็บอกว่าหลุงปู่ชาให้ท่านเนี่ยเขียนจดหมายไปบอกแฟนน่ะหรือคนรักเนี่ย ให้เอาขี้ใส่ขวดส่งมาให้เวลาท่านนะคิดถึงแฟนทีไยก็ให้เปิดเปิดฝาขวดแล้วก็เอามาดมพอได้ยินอย่างนี้พระฝรั่งเนี่ยฟาร์มลันจูนี่คิดถึงคนรักหายไปหมดสิ้นเลยอันนี้ก็เป็นอุบายสอนธรรมหลวงพ่อพุทธทาสก็เหมือนกันท่านก็จะมีอุบายสอนธรรมลุกสิทธิ์โดยท่านเนี่ยใช้ชีวิตแบบง่ายๆและใช้ของประหยัดมากอย่างกระดาษเช็ดเช็ดหน้าเนี่ย บางครั้งท่านเอามาเช็ดพวกว้าบอาหารแล้วท่านก็ไม่ทิ้งท่า น, นเก็บไว้แถวนั้นแหละเวลาถ้าพระลูกศิษย์ไปเอาไปทิ้งเนี่ยท่านก็จะตาหนิไม่ให้ทิ้งอันนี้อา จ, จารย์สิงห์ทองพระอุปถาใกล้ชี้ทะานเล่าให้ฟังท่านใช้ชีวิตง่ายๆแล้วก็ไม่สนใจราชกลาระแล้วนั้นถ้าโยมมาคุยธรรมะท่านก็คุยแต่ถ้าโยมมาขอหวยท่านก็ไม่พูดด้วยท่านเป็นตัวตัวเอง อายุหกสิบท่านก็เสียแล้วไม่ไม่รักกิจมิลอนอยู่วัดอย่างเดียวไม่ไปไหนใครไปหาท่านก็หาง่ายก็เจอท่านอยู่ที่วัดตลอดถือเวลาก็มาแสดงธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังท่านเป็นคนละเอียดมากเลยใช้ของก็อย่างมีคุณค่าอย่างกระดาษพิมพ์ดีเวลาพิมพ์ผิดเนี่ยท่านก็ค่อยแก้ท่านยังไม่ทิ้งถ้าเป็นเราเนี่ยบางทีเราของเยอะเราก็ทิ้งท่านก็ฝึกควประหยัดให้ลูกศิษย์แล้วมีอีกหลายเรื่องบางทีท่านก็ฝึกให้พลาดเนี่ย ได้พูดธรรมะอาตมาเมื่อก่อนเคยอยู่สวนโมกปัญหาใหม่ๆของพระใหม่ก็คือบางคนเนี่ยเราอยู่มีความกลัวไม่กล้าแสดงออกแต่บางคนเนี่ยก็กล้าพูดได้เลยบางคนเคยเป็นทะนงทะายเคยมีอาชีพที่เกี่ยวกับจับมงจับไมเนี่ยจะไม่กลัวคนจะบางคนนี่กลัวอย่างอาตมาที่เป็นคนกลัวใหม่เมื่อก่อนนำทําวัดตอนเป็นานาโอกาคเนี่ยนำทำไปก็ล่มฟ้าประมาใครมาชวนหัวเราะอะไรเนี่ยเราหัวเราะแล้วเราสวดไม่ได้นะ เทศก็เหมือนกันเทศเนี่ยเราใช้เวลาอนมามาเทศตออภาษาสิบนะถือว่าได้เทศช้ามากในวัดเนี่ยอย่างอาจารย์โน้ตอาจารย์ตุ้มภาษาหนึ่งภาษาสองก็ได้จับไม้พูดแล้วได้แสดงธรรมแล้วแล้วมีอีกหลายคนอาจารย์สมใจในภาษาหนึ่งก็ได้แสดงธรรมแล้วทุกคนเร็วอนามาหมดอนมามช้ากับเพื่อนเลยในวัดมาพูดธรรมะภาษาสิบแต่มันดึงถึงคุณภาพก็ไม่เป็นไรไม่ไปรอกันเท่าไหร่พ่ออนามาพูดเรื่องโลกเมื่อได้พูดเรื่องหลุดทน้นตอนนี้เราก็ได้อาจารย์ใหม่มาก็คืออาจารย์ออส อาจารย์ออดเนี่ยท้าจะพูดเรื่องจี้ไปที่อารมณ์ปัจจุบันซึ่งคนที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยมีน้อยมากชี้ให้เห็นความพิปรุงแต่งสดๆว่าเราเผลอไปแล้วนะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่เพราะธรรมะสดๆเนี่ยมันทำให้คนฟังเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเองเมื่อก่อนอนมาเคยใช้วิธีนี้กับพระบางคนที่หลงมากๆพระรูปนี้ก็ชอบอนามามาคุยกับอนมาประจาแต่ท่านก็ค่อขาฟุงา้งซ่าน แล้วก็แล้วก็มองคนอื่นในทางร้ายแต่ร้าพูดแบบมาพูดแบบสดๆอะไรแั้ล้วก็ไปกลัวเขาโกรธนะเพราะบางทีพูดแบบมันแทงใจดําก็เลยแหละแต่เราก็เลือกคนพูดบางคนเราก็ไม่พูดชวนเขาอารมณ์ดีๆอามาก็พูดเห้เาโกรธเพราะว่าพูดถึงคนที่เขาเกลียดนั่นแหละพอเขานึกถึงคนที่เขาเกลียดปุ๊บเขาก็จะปรุงแต่ทางลบทันทีเลยหน้าตาเขาเปลี่ยนสีแล้วมันก็ชี้ไปที่เอ้าวเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยอารมณ์นี้มาได้ยังไงเนี่ยเขาเลยรู้สึกตัวว่าเอ๊ะโกรธไปแล้วนะ คือความโกรธก็เป็นความคิดปรุงแต่งที่จอนเข้ามาแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็อยู่กับเราเนี่ยบางทีเป็นวันหรือหลายวันไม่รู้จากอารมณ์นั่นได้ต้องมีคนมาชี้ให้เห็นมันพอทํางานตลอดเวลาเลยสมมติเรานึกถึงคนหน้าคนที่เราไม่ชอบเราสามารถโกรธเกลียดขึ้นมาได้เรานึกถึงหน้าคนที่เราชอบบางทีเราก็เกิดความหลงมันไปอีกอารมณ์นึงอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ที่ไม่มีใครอยากให้อยู่หรอกเป็นอารมณ์ที่เผาลนทําทให้ร้อน เหมือนไฟแหละมีคนอยากทิ้งพี่กอารมณ์ที่มีความรักอารมณ์ความรักนี่มันจะอยู่ทั้งวันก็ไม่รู้อยู่กันได้นานๆแต่กระพ้าเนี่ยอารมณ์โลภเปอารมณ์ที่น่าเกลียดที่สุดโลภอยากได้ของอยากนู่อยากนี่เนี่ยอารมณ์โลภจึงเป็นอารมณ์พิษหยาบคนจะแก้ไขอารมณ์รักอารมณ์หลงก็ยากก็ต้องใช้เวลาธรรมะที่เรามาเรียนรู้เนี่ยเราก็รู้จักอารมณ์ต่างๆเนี่ยอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์อิจฉาอารมณ์เปรียบเทียบ อารมณ์น้อยเนื้อต่าใจอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจอนเข้ามาบางทีเราก็บอกไม่เห็นไม่รู้เท่าทายอารมณ์แต่ถ้ามีคนมาชี้แนะเราเนี่ยมาบอกเราก็รู้จากอารมณ์นั้นได้เพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนเรามันจะมีการป้อง ก, กันตัวจะมีอัตตาแฝงอยู่บางทีไม่รู้หรอกว่าตัวเราเป็นคนยังไงไอ้เพื่อนจะบอกเราเอ้าบอกไอ้คนบอกก็บางทีถูกโกรธอีกเพราาแทงอัตตาเราเพราะต้องเปิดใจอย่างบางคนเนี่ยปากเหม็น แต่งฟันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายเราจะไปบอกก็ไม่ได้บอกเดี๋ยวเขาโกรธอีกแต่เราไม่บอกเขาเขาต้องปากเหมือนตลอดชีวิตแหละเพราะเป็นกรรมไงกรรมตรงที่ไม่มีใครกล้าบอกหรือบางครั้งเราส่วนบุญผิดไม่มีใครกล้าบอกเคยมีอยู่ท่านหนึ่งหตาเยอะส่วนผิดต้งหลายคําก็ต้องผิดอย่างนี้นตลอดชีวิตแหละไม่มีใครบอกว่าตรงนี้ผิดนะแต่บางคนที่เจอเปิดใจกว้างเพื่อนชีน้แนะบอกตรงนี้ผิดนะให้แก้ไขท่านก็สามารถพัฒนาได้คือรู้จักตัวเอง คนเราสามารถพัฒนาได้ถ้าเปิดใจแต่ถ้าไม่เปิดใจเราก็มีความรู้เดิมๆแหละพัฒนาไม่ได้หรอกผิดก็ต้องผิดตลอดชีวิตแหะคือไม่รู้ตัวเองเป็นคนยังไงกันแนะ่อย่างอัตมาเคยบอกพระอยู่ที่ประษานร์อาตมานะแกสวดมนต์ผิดเวลาให้พรเนี่ยอย่างจัตตโลธรมมวทันติอายุวโนสุขขังพลังแกก็จัตตโลวันทันติอยู่นั่นแหละคือวัดแกอ่านเป็นวันไงอุ้ยใช้เวลาโอ้โหเป็นบางทีเป็นเดือนเลลนะ เพราะว่าไม่ใช่ง่ายๆกูอยากบอกแก้คําผิดคําเดียวเนี่ยไม่ไม่ง่ายนะคนเราเบียดตายเยอะๆไปสอนกันไม่ไม่ได้ไม่ง่ายหรอกกว่าเขาจะยอมเชื่อเราหรือบางทีเขาติดที่สายเดิมก็ไปออกสวนอกอกเสียงวันอย่างนั้นแหละถ้าใครมีคนมาบอกเนี่ยคือผู้ชี้ขุมทรัพย์หรือถ้าเราไม่ยอมฝึกฝนเราก็จะมีแต่ความรู้เดิมต้องพัฒนาอยู่เรื่อยผิดก็ยอมรับว่าผิดบางครั้งเราต้องยอมหน้าแตกสวดๆไปเอาส่วนผิดหรือล่มหรือเทศไปเทศผิดจำผิดอ่ะบางทีความจำเนี่ยมันมันไม่เที่ยง ก็หน้าแตกนี่ก็ดีนะบางทีก็ทําให้อัตรามันะไม่พยองไม่คิดว่าเราเก่งไงเพราะถ้าเราคิด่เราเก่งปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอัตราแล้วพอรู้ว่าเราเนี่ยผิดได้หลายได้ชีวิตเราก็เหมือนกับปกติเหมือนคนทั่วๆไปแหละความผิดบางครั้งก็เป็นอาจารย์เราทําให้เราได้เก่งขึ้นปัญหาทำให้เราได้แก้ทําให้สามารถทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นงานทุกอย่างที่เราผิดเนี่ยจะถ้าเราได้พัฒนาที่กูดันมาเนี่ยมีตุ๊แก เยอะแยะเลยเมื่อก่อ น, น que, สร้างปัญหาให้มากเลยตุกแกทั้งขี่เหม็นทั้งร้องร้องเสียงดังนะวิ่งกันก็ควักไปหมดบางทีก็พางูเขียวตัวใหญ่ขึ้นมาบนกุฎเมื่อก่อนอามาไม่ชอบตุกแกนะพยายามจับไปปล่อยทุกครั้งแหละจับไปปล่อยจนเกี้ยงกุฎเลยจนเป็นเรื่องน่าลาคาญนกะลายเป็นว่าถึงเวลาตุกแกมาก็ต้องจับตุกแกไปปล่อยมีตอนนี้อามายอมตุกแกอยู่แล้วทุกแกอยู่มานานต่หลังไม่ปล่อยละคืออยู่กันได้ ทุกแกที่กุดตอนนี้ก็มีหลายตัวพี่เยอะตัวใหญ่ๆนั่นแหละถ้าเขาไม่มาเบียดเบียนเราอ่ะไม่มาร้องรบกวนเกินไปแล้วก็ให้เขาอยู่กันอยู่กัจะสันติตักกับตังอยู่แต่ถ้าเขาเบียดเบียนเราอ่ะร้องไม่เป็นเวลาเวลาก็ต้องจับไปปล่อยทุกแกบางทีก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่พวกโยมเข้าใจกันอันมาสามารถจับตุกแกมือเปล่าได้บางทีลองให้มันกัดก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่คนเข้าใจว่ากัดแล้วไม่ยอมปล่อยหรือกัดเจ็บแต่ทุกแกมันก็ขู่นะ ถ้าคนกลัวนี่ขาดสติปุ๊บเนี่ยก็ตกใจอ่ะเห็นทุกแกอยู่ ใ, ใกล้ๆอ่ะโดยเฉพาะโดยเฉาผู้หญิงอนมาเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเจองูมันไล่กัดเจอกับตัวเองเลยงูตัวใหญ่มากเป็นงูทางมะพร้าวตอนแรกเราก็ไม่ไสังเกตเป็นงูทางมะพร้าวเรามาอยู่ในห้องน้ําของกุฎไม่ม า, มาที่รื้อไปแล้วสมัยอนมาเปพระนวกาศเนี่ยเราก็มีหน้าที่คอยเคลียร์กุฎเวลาพระย้ายกุฏิเนี่ยเก็บของเข้าสำนัก ง, งานเมืง หรือเก็บขยะไปทิ้งดูแลความเรียบร้อยงูทงางกรเพาะอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมาเห็นเอามาเดินมาวิ่งก็กระโดดเข้าใส่เลยกระโดดฉโกไอเราก็ตกใจวิ่งขึ้นกระไดลงมาเอา้ามันก็ไล่กัดอีกไล่โฉกอีกแต่มาดูทีมันเป็นงูไม่มีพิษมันคมขู่เฉยแสงแสายชัดอุจาาณแต่ถ้าตกใจกลัวเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันวิ่งไปชนช น, ช น, ช น, น, น, นู่นชนนี่อะไรเงี้ยสัตว์ในวัดเนี่ยบางทีมันก็สอนทําเราไม่ว่าเปต้นไม้เป็นคน ต้นมานี่ก็สอนทํานะบางทีเรปลูกเนี่ยบางต้นก็รอดบางต้นก็ตายบางต้นงาปุ๊บเดี๋ยวมแมลงก็บากินบ้างอะไรบ้างคือเขาไม่ได้เป็นแรงใจเราหรอกถึงแมลงไม่กินบางทีป่ปลวกก็กินบางทีก็แพ้ดินฟ้าอากาศตายไปก็มีไอ้บางต้นกับงามก็มีเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ทุกสิทุกอย่างเนี่ยสอนธรรมเราหมดเลยเมื่อจะเป็นอาจารย์เป็นคนโดยเฉพาะคนในวัดเนี่ย เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นดั ง, ดงใจเราหรอกไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นแม่ชีบางคน้็ขัดใจเราบางคนก็ช่วยงานเราทําให้เราในงานรู้ล่วงแต่ถ้าเราไปหวังว่าเขาต้องเป็นเป็นดังใจเราเนี่ยเราเตรียมทุบได้เลยทุกสิ่งที่อยางสอนทาเราได้บทสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวยุงเดี๋ยวมแมลงสัตว์ต่างๆมดปวก สอนท้าเราได้งั้นถ้าเรามองเป็นนะเราจะมีอาจารย์สอนธรรมะทุกวันแต่ถ้ามองไม่เป็นเราก็จะบุดหงิดขัดใจทุกวันเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเรามีอาจารย์ทุกวันเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ทุกวันได้เรียนรู้อารมณ์ใหม่ๆสดๆเรียนรู้อารมณ์ต่างๆที่จรเข้ามาแหละอารมณ์โลภกดหลงอิจฉาทิสยาเปรียบเทียบเพราะเราเรียนรู้ตัวเนี้ยเราก็สามารถออกจากอารมณ์นี้ได้แต่ถ้าไม่รู้จกักมันออกไม่ได้หรอก อารมณ์อิจฉานี่แหละเป็นอารมณ์ที่คนรู้จักกันยากต้องเจอด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจอารมณ์เปรียบเทียบเหมือนกันบางทีอิจฉาเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยมีรักสักหล้ามากกว่ามีชื่อเสียงมากกว่ามีอะไรคนรักมากกว่าบางคนก็แทนที่จะมาปรับปรุงตัวเองว่าเราเป็นคน่ิสัยไม่ดีนะไม่หวิวสัมพันธ์ใจแคบไม่ค่อยช่วยเหลือ เพื่อนๆไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่นคนก็ไม่ค่อยรักแต่ถ้าเราปรับปรุงตัวให้เราเปคนใจกว้างแล้วก็พูดไม่ขัดหูคนอื่นเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขมากกว่า น, นี้เลยเพราะบางคนจะนหวังว่าคนอื่นต้องรักเราก่อนเราถึงไปรักต่อนี่ไม่ใช่หรอกจะหาความจริงใจจากใครที่ไหนเล่าถ้าเราไม่ให้ความจริงใจก่อนโมอดโอยหยหาอย่างอาวรคงต้องนอนเฉาเหี่ยวอย่างเดียวได้ จงรู้จักเกื้อกูลผู้อื่นบ้างอเป็นทางสร้างสุขทุกสลายให้เขาสุขทั้งกายและใจเขาก็หมายสนองเรายามเศร้าเอ่ยก่อนบทนี้ก็ดีทำให้เราเนี่ยอยากให้ใครรักต้องรักเขาก่อนดีเขาก่อนแต่ถ้าเราไปหวังว่าต้องดีแต่ฉันนะอันนี้คิดผิดเพราะว่าบางคนเนี่ยตัวเองนิสัยตัวเองไม่รู้จักเลยก็ทาตามใจตัวเองทำตามกิเลสตัวเอง จิตเราเองเนี่ยบางทีมันก็ไม่เชื่อเรานะเรายังสอนยากเลยเราไม่ได้ไปคิดสอนคนอื่นหรอกอย่างอย่างญาติพี่น้องอาณาเนี่ยใหม่ใหม่อาณาภาษา แ, กแรกเอออยากสอนคนคนนี้อยากให้เขายกมือปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อเทียนอยากพูดกับเขาเดยเห็นทุกข์พอบวชไปานานๆเอา้าความคิดที่จะสอนหายหมดเลยไม่เคยคิดสอนแล้วเพราะเรารู้ว่าเราสอนไม่ได้เราหันมาสอนเรวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือเขาเห็นเราบวชนานๆตอนหลังก็เริ่มเชื่อถือแล้วว่าเราเออเระบวชเราอยู่ได้จริง เรพูดอะไรเขาก็เริ่มเชื่อล้วเพื่อนก็นเหมือนกันเขารู้จักก็เหมือนกันไม่ไม่ภาษาน้อยพูดพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อหรอกเขาถือว่ายังไม่ผ่านบททดสอบบางทีผ้าใหม่บางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวนี้อยากสอนอยากสอนโยมบางทีต้องสร้างสมบา ร, รมีก็ใช้เวลาเหมือนกันบางทีได้ไมยจับไมยเทศเนี่ยเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีแหละเขาเชื่อพระเถร่ามากกว่าเขาถือว่าบวชมานานแล้วอะไรเงี้ยบางทีพูดไม่เก่งอะแต่เขาดูการการะทำเขาก็เชื่อพูดแบบ เก่งแต่ว่าโยมเขาเห็นว่ายังทําไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อถ้าเกิดถึงเวลาเนี่ยไม่ต้องห่วงถึงเวลาก็บางทีก็ได้ผููได้สอนถ้าเราไม่ศึกษก่อนอยากธรรมะถ้าถ้าศึกก่อนเนี่ยก่อนภาษาสิบเนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสได้พูดธรรมะให้โยมฟังหรอกเพราะว่าเราสไปต้นไม้ให้โตช้าโตช้าคนอื่นแต่ตอนโตแล้วทําประโยชน์ได้เยอะอยู่ทุกวันนี้อลาละาก็เผยแพร่ธรรมะทางเน็ตเนี่ยนําเสียอาจารย์ไปสารไปไปอัพให้ อยากได้ทำฟังสดๆเมื่อก่อนต้องใช้เวลาสามสี่เดือนกว่าจะเอาไปเอาไปทำแผ่นนะเดี๋ยวนี้สดๆธรรมะก่อนถันเช้าก็อาจารย์พิสารพูดปุ๊บอีกแป๊บหนึ่งโยมไม่ได้ฟังกแล้วเพราะถือเวลาเราก็สามารถช่วยเผยแผ่ได้อันจะช้าบ้างก็ไม่เป็นไรอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก่อนจบขอท่องกรองหลงพ่อพุทธาสหยมฟังก่อหนึ่ง มองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าลวดมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่เรานึกหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคุ้มคลั่งจะมองเห็น